ทุกทุกครั้งที่สบปาเหมือนว่าโลกนี้หยืดมุนไปเธอเธอไม่รู้อาการ i love นั้นเป็นยังไงทุกทุกบรรทัดที่กดพิมพ์ทุกตัวนังสือที่เธอไปเห็นแคสติเกิดที่เธอเม็นขึ้นมาก็สุขใจแคปหนะ้าจอเก็บไว้เลยพอเธอเข้ามาใกล้กันเราก็ไม่กลาทัก ท, กทาย พอจะกันในกรูปลายก็หาเรื่องคุยรืยไปให้เธอจะมองเราแค่เฟรนหรือว่ามากกว่าเฟรนคำเดียวก็ยังไม่เคยจะพูดความจริงออกไปไม่กล้าพอเดีตากดคำว่ารักนะบอกในใจว่ารักนะอยากจะพูดแต่ฉัก็ไม่เค่ส่งคำว่ารักก็ไม่เค่ส่งก็ได้แต่คิดถึงที่เธอคงไม่ เข้ามาใกล้กันเราก็ไม่กลาเถียทายพอเจอกันในรูปไลน์ก็หาเวื่อคุยเรื่ยเรเธอจะมองเราแค่เฟรน์รู้ว่ามากกว่าเดคำเดียวก็ยังไม่เคยจะพูดความจริงออกไปไม่กล้าพอเดีตากดคำว่ารักนะบอกในใจว่ารักนะอยากจะพูดจะ่เส้นก็ไม่เคยส่งคำว่ารั ก, ก ใช่ไหมใครในับใครที่มันแอบรักเธอ